ผุดถอกุศลก็เป็นอกุศลเหมือนกันคือความคิดปรุงไปในทางใจถี่ไปในทางขั้วทางเสียท่านให้รักษาโดยสติโดยปัญญาคือให้ใคร่คิดเรื่องธรรมะ ม, มาแทนเรื่องความคิดชั่วเสียต่างๆเพื่อปรับ ปงจิตใจท้องตัวให้อยู่ในวงของธรรมหรือให้สงบเมื่อมันอยู่ในวงของธรรมได้มันก็สงบได้ตัวท้องตัวก็ไมต่ตำหนีตัวท้องตัวว่าคิดชั่วปุงชั่วต่างๆบางทีมันก็สงบลงไปรวมลงไปเมื่อมันถอดถอนขึ้นมาต่อิกนี่พิจารณาในเรื่องธรรมะนี่เรียกว่าโรก ขันาคือรักษาจิตใจของตัวภายในคนที่รักษาตัวของตัวได้ความสงบสบายก็เห็นไปจับในตัวของตัวโรคละเอียดเข้าไปที่่ันเรียกว่าสังโยชน์ถึงมันดองอยู่ในสั้นดางเหมือนตะกรอนอนอยู่ในกลุ่น ขององค์หรือในกลของขวดที่เอาน้ำขังเอาไว้เมื่อเราจับธรรมดาเบาๆมันก็ไม่ผยฟุ่งขอามาเท่าไรถ้าไปจับแรงแรงเท่าตะกอนที่มันนอนอยู่ในกลนมันพุ่งขึ้นแต่เราเห็นที่ธรรมดาจิตใจของนักภาวนาที่จิตเข้าไปสู่ คามละเอียดพอสมควรมันก็ยังมีตะกอนนอนอยู่ภายในทางศาสตรสนาจึงถือว่าสัางโยุคือมันนอนเนื่องอยู่ในสันดานภายในพอกระทบอะไรหนักเข้ามันจะฝุ่งขึ้นมาแราตัวของตัวก็ทราบว่าเอะแต่ก่อนจิตมันไม่เคยยุ่งเกี่ยวมันไม่เคยปุ้งชิดแบบนี้เห็นมันสว่างไสวใสดีอยู่แต่เวลานี้ เมื่อกระทบสิ่งนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าอนุสัยซึ่งมันเกิดขึ้นภายในใจของผู้ประพิฏิบัติอย่าทราเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็อย่าตายใจนอนใจรีบที่นี้ที่ จ, จะนาแก้ไขด้วยปัญญาของตัวเพราะมันมีเหตุมันจึงมีผลถ้ามันไม่มีเหตุผลมันก็ไม่เกิดขึ้นมันเป็นอยู่อย่างนั้น มันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันยังไม่ขาดจากอาสวะมันจึงมียี่เลี่ยส่วนนี้เกิดขึ้นอย่าไปตายใจนอนใจพ่จหร้าแก้ไขมันเกิดขึ้นในทางโกรธกาดีทางราคะกาดีก็หน้าที่เพราะกูปภพปฏิบัติถึงมีจิตละเอียดลงไป พอสมควรแล้วจะทราบได้มันสัมผัสกับอะไรมันจะตามที่นิีิจาราแจกให้จนมันขาดหลุดตกออกจากใจมันก็ไม่มีทางสงสัยมันจะกระทบอะไรก่ากระทบไปเถอะเหมือนกันกับไฟไม่มีจะเอาเชื่อมาจากที่ไหนไฟไฟขนาดไหนมันก็ไม่จิตให้เพราะเชื่อของไฟไม่มีถ้ามันมีเชื่อ มีไฟมันกดติดลุกโทงขึ้นตามธรรมดาองมันนี่ใจของท่านที่ประพฤติปฏิบัติหลุดขาดไปจากโลกกว่าทำนองเดียวกันถึงปาจะพูดผิดพลาดอยู่บ้างแต่จิตของท่านไม่เคยเศร้าหมองไม่เคยเดือดร้อน เพราะการพูดการผิดของท่านเหมือน ก, นกันกับคนตาดีธรรมดาก็ยังมีการโดนหลักโดนตอเหยียบนามหรือตกหลุมตกบ่อได้นี่นักปาฐิทันสิ่นอาาวะภายในกาทำนองเดียวกันการผิดพลาดนิดหน่อยนั้นไม่สามารถที่จะทำจิตของท่านให้เศร้าหมองหายเสียหาย เพราะกำลังของจิต <c oughs> มันมีมากไม่สามารถที่จะเสียหายไปด้วยอาบัตินิดหน่อยเล็กน้อยเหมือนพวกเราธรรมดาเพราะจิตท่านไม่ยกข้องไม่ยึดถือมีหมายถึงจริง่ผิดในทางโลกกวัสะโลกทั่วไปเขาไม่ศาสนาเขาไม่นิยม มันก็ผิดไปได้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่เท่าว่าจิตใจของท่านไม่ได้มีการกรงวลเกลีเ ด, ดร้อนเสียหายเหมือนพวกเราทั้งหลายจิตของท่านผิดพ้นไปห่ามไปเป็นอย่างนั้นมีทางผิดไปได้ไดเหมือนกันทางสมมติ แต่เรื่องดิมุดอยู่ในจิตในใจของท่านนั้นไม่มีวันที่จะเสือ่อมจะเสียเหมือนพวกเราถะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปดูที่อื่นไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นดูที่จิตที่ใจของตัวเท่านั้นมันก็พอทราบได้ถ่ายใจของตัวรู้ทั่วทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติ เคยจเจริญเคยเสื่อมเคยอยากเคยละเอียดไปจนถึงขั้นหมดสมมุติไม่มีอะไรที่จะเหลือหลออยู่อีกมันจะต้องทราบว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้เมื่อมันมาถึงจุดนี้มันอยู่อย่างนี้มันมีอะไรอีกที่จะละจะบำเพ็ญ มันทราบของมันถ้ามันไม่ทราบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ตัดเอาไว้ว่าธรรมะเป็นสันติิโกคือเห็นเองหรือปัด จ, จัดตังรู้เฉพาะความจริงเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นไปตั้งแต่เบื้องต้นเราถี่ยังวุ่นวายดย้วยจิเลตตันหาเราก็ทราบเป็นสันติิโกเห็นอยู่ในจิตในใจของเราเป็นปัด จ, จัดตังรู้เฉพาะ ว่ตัวของเรามันยังยุ่งยังเกี่ยวยังติดยังคล้องเหนือมันละถอนเบาบางไปนั้นก็รู้ตามระยะขึ้นมนจนถึงขั้นที่สุดมันตัรู้ว่าจิตเป็นมีมดุดไม่อยู่เดีอยู่ในขั้นสมมุติการพูดการทําการคิดการปรุงทุกอย่างมันไม่ใช่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่ใช่เนื่องที่เอามาใช้เป็นสมมุติ มันจึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่คือการปฏิบัติแก่ไขจิตใจของตัวเห็นผลประจักษ์ในตนอย่างนั้นความปุกความสบายในภาระจิตใจล ะ, จ ะ, ละจะบำเพ็ญมันไม่มีจะพูดถึงว่ามันเย็นมันสงบมันก็เป็นสมมติทางนั้น นิพพานก็เป็นสมมติวิสุทธิธรรมก็เป็นสมมติที่มาทราบว่านิพพานว่าวิสุทธิธรรมคืออะไรนั้นจะรู้เฉพาะสาหรับผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ที่เห็นที่เป็นเท่านั้นถ้าผู้ไม่เห็นไม่เป็นก็ไม่มีวันเวลาที่จะทราบจะเข้าใจว่าทาไมจึงท่านจริงพูดอย่างนั้นจริงําอย่างนั้น พเราเข้าใจว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ทมบริสุทธิ์กับส ม, มุิมันผิดแปกแตกต่างกันอย่างไรเรายังไม่เคยเห็นในใจของเราเราจึงเกิดสงสัยขอให้ปฏิบัติให้เข้าถึงความจริงแล้วมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยปัญหาของจิตของใจนั้นมันไม่มี ใครจะมีปัญญาสามารถขนาดไหนมาซักไร่ใต่ถามเรื่องของจิตของใจจริงจังนะั้นท่านไม่มีขัดข้อ ท, ท, ท, ท่านช้างชินท่านไม่ได้สูตได้เรียนมาจากสําหรับตาลาที่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นกับเรื่องของใจจริงจังแล้วท่านสามารถตอบได้เพราะอะไรเพราะท่านตัวเพื่อปฏิบัติไปจนถงึงหมดสมมติแต่จะถูก เรือผิดนั้นถ้าหากคนนั้นทีนี้พิจารณารับธรรมะด้วยธรรมจริงจังต้องถูกถ้าเอาทิศธิมาณนะมาถามฟังคําตอบทองทานโวยทิศธิมาณนะถ้าไม่ถูกตามวิเลตันหาทองตัวเขากดถือว่าผิดแต่เขาจะว่าผิดหรือว่าถูกนะั้น ท่านก็ไม่มีทางเสียหายเพราะท่านพูดไปด้วยความบริสุทธิ์ใจของท่านด้วยความเห็นความเป็นในใจของท่านถึงจะไม่มีในตำรับตำราที่เขียนเอาไว้แต่ความจริงมันเป็นอย่างไรท่านก็พูดไปตามความจริงมันจรงไม่ผิดสำหรับท่านแต่คนฟังอาจผิดไปได้ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติ จิงเป็นเหลื่งสำคัญจะเป็นพระเป็นเนนได้ก่อพ่ออาศัยศีลธรรมอาศัยการาปฏิบัติเขาจะเคารพกาวไหว้นับถือบูชาก่อพ่อพระหรือบุคคลนั้นนั้นปฏิบัติปฏิบัติถูกตามอักตามธรรมคนทั่วไปเขาเหลื่อมใสศรัทธาผู้มีอัตมีธรรม แลวตั้มมิคนที่มีชิเลตันหาอยากช้าลามตัวของเราเองก็ทำนองเดียวกันไม่ปรารถนาความชั่วเสียต่างๆปรารถนาแะ่สิ่งที่ดีที่บรเสริ์เดี๋ยวเลยเลือกทัดดูบางไหมว่าอารมณ์ของใจนั้นมันเป็นอารมณ์แบบไหนมันจะนำอาจนำธรรมมาให้หรือจะนำความชั่วความเสียมาให้ เมื่อมันฟื้งขึ้นคิดขึ้นในจิตในใจของตนตากไหมในไส่ตองไหมในพิจารณาไหมถ้าหากหาด ก, การยับยัง้งสั่งตัวทีนี้พิจะะารณามันก็ไม่ทันกับเรื่องของกิเลสตัณหามันจะจูงจมูกเรื่อยไปเลยไม่มีวันใดที่จะสงบเย็นให้ที่จะรู้ธรรมะแจ่มใสให้ นี่คือขาดสติปัญญาขาดความเป็นสมณนะขาดความเป็นพระในตัวเมื่อจิตมันปรุงไปมากคิดไปมากมันก็ยอมทำให้กายวาจาไหวตัวไปตามควรคิดคิดในอดในทำปรุงในอดในทำเห็นอจเห็นทำย่าแม่ตายใจนอนใจ าการกระทำของเขาจะต้องขยันหมั่นเพียรในทางละทางบำเพ็ญคนทติคิดปรงไปมากในทางโลกทางสงสารก็ทำนองเดียวกันเหยียดครัไม่เอาฐานอะไรคายวันแต่จะไปสู่เตาสู่โรงเท่านั้นถึงเป็นพาะเป็นเนนก็เป็นแต่ใจสักเทศแต่เรื่องจิตใจของเขา เขานั้นมันเป็นสัตวไม่ใช่เป็นพระเป็นเนนให้คือผู้ข้่องผู้จิตเรียกว่าสัตว์ใครยังข้่องยังจิตอยู่คนนั้นก็วเรียกว่าสัตว์มนุษย์กว่าสัตว์มนุษย์คือมันยังข้่องยังจิตถ้ามันละความคล่องความจิตของตัวได้มันจริงจะเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นบุคคลไมนีม้อะไรจะมากังวลในจิตในใจเพราะหาาการต่างหนา้าต่างตาทีนี้ที่จะมาศึกษาประพฤติปฏิบัติวันคืนเดือนปีมันก็มีแค่นี้แหละวัวนนี้ผ่านไปวันนี้ก็หมดไปทุ่งนี้ก็จะมีมาใหม่ก็ของเก่าพาเราไปต่างหนา้าต่างตาประพฤติปฏิบัติรักษามันจะได้ คุณงามความดีมาจากที่ไหนวันคืนมันมีหน้าทีเพราะมันผ่านไปชีวิตของเราก็ความแก่เท่ามันก็ผ่านไปอยู่อย่างนั้นถึงวันจบสิ้นของมันมันก็จบสิ้นไปมันจะมีอะไรเป็นเป็นคุณค่าของดีหรือเสียให้ถ้าหากเราไม่กระกทำบำเพ็ญให้เห็นให้เป็นให้เย็นให้สงบให้รีบสอนตัวปลุกตัวให้ตื่น แต่ทำบำเทียนอย่างเอาจริงเอาจังอย่าไปทำเล่นพรรษากว่ายังอีกไม่กี่วันกี่คืนเดี๋ยวก็หมดไปออกพรรษาแล้วก็อีกแหละธุรานาที่มันมีเราไม่ยุ่งกับเขาเขาก็ยุ่งกับเรามันเกิดขึ้นระยะที่มันยังอยู่ถึงนิดหน่อยก็ตามถ้าเร า, าทำคุณงามความดีมันทําได้ วาระจิตที่มันจะเลื่องจากโลกหรือจากโลกมันไม่เลยนมนานอะไรถ้ามันเป็นในใจแคบเดียวเท่านั้นมันก็สามารถหายไปได้ขาดไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างความสงสัยรังเลในใจรัดหนีมือเดียวเท่านั้นก็ยังท่าไปอยู่มันในในถึงเสียววินาทีทามันเป็นมันเห็นแคบเดียวเท่านั้นมันทั่วหมด มีระยะเวลาก็ยงยาวนานหลายวันอยู่จังหน้า่างตาศึกษาที่นิ่พี่เจนะทำารายสักขอกจิตใจของตัวเองก็งมีโอกาสเวลาที่จะเห็นจะเป็นได้ห า, าเราเห็นว่าการเกิดการตายมันเป็นทุกข์เห็นว่าการเกิดการตายมันทรมานการปฏิสิทธิปฏิบัติเพื่ออาจเพื่อทำจริงจังถ้าเรา ทำเล่นมันก็ไม่เห็นผลอะไรเราจะต้าหน้าต่างตาทําอย่างจริงจังดูมันจะเป็นอย่างไรจิตใจของเรากว่าจะให้มันรู้มันเคยโง่แบบไหนก็จะให้โง่อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีวันฉลาดใครความโง่งจะไปสอนใครจะไปแก้ไขอะไรมันไม่มีคุณภาษานอกจากความฉลาดสติปัญญาเท่านั้นที่จะขับไล่ กิเลสตัณหาออกจากใจขพทุกคนจงนำไปที่นี่พี่แจนะต่างหน้าปฏิบัติเราไม่ทาไม่มีใครที่จะช่วยเหลือแต่เราเป็นผู้ดีวิเศษได้ขอสรรเสริญชมเชยว่าเป็นนักปฏิบัติขอให้สมกับชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถึงไหมรู้ไหมเห็นไม่ดีไม่เด่นเราก็ ตั้งหน้าปฏิบัติอยู่ยังอยู่ในทางไม่ประมาทยังอยู่ในการศึกษาแต่เขาว่านักเรียนนักศึกษาแต่ไม่เคยเรียนใชจศึกษาเลยเขียนไม่เป็นอ่านไม่ออกสงสารมันนักศึกษาอะไรนักศึกษาขี่มาหรืออะไรแบบนั้นมีท่าเนนขี่เขาว่านักปฏิบัติก็ไปเอาฐานอะไรในต่างใจประพฤติปฏิบัติ มันก็มีแต่ชื่อหากเราทำอยู่ถึงยังไม่รู้วันนี้วันหน้ามันก็มีโอกาสเวลาที่จะรู้พอเราทำเหมือนกันกับเราทำงานภายนอกเราทำอยู่ไม่สำเร็จวันนี้วันหน้ามันก็สำเร็จในเรือวิสัยใ่่จริงที่ควรสำเร็จมีการแจกขายจิเหรียดก็บทำนองเดียวกันมีทางที่เสร็จสิ้นไปได้ ในเหลือวิสัยขาดสั่งใจประพฤติปฏิบัติจริงจังดางนั้นขอทุกท่านจงนำไปที่นี้ชีจนะตั้งหน้าปฏิบัติความสุขความเจริญความสงบจากกิเลสตันหากวจะเป็นสมบททัติข อ, เองเราการอธิบายธรรมะเช่นวมาพอสมควรกี่เวลาเราอยู่ที่ตรงนี้